นี่เมื่อมาตรฐานไม่ดีเราก็คงถือเอาแต่สาระก็พอในหลายๆเรื่องก็เวลาดูไปเนี่ยนะจะเห็นว่าเขามาอาจจะเหมือนว่าไม่ได้บรรยายตามหนังสือแต่นี่นก็เป็นที่รู้กันอย่างเดียวขอแก้หนังสือก่อนนะอย่างยกตัวอย่างในหน้ายี่สิบแปดเนี่ยนะหน้ายี่สิบแปดนั้น บันทัดล่างเลยนับขึ้นหนึ่งสองตั้งแต่ล่างขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบันทัดเนี่ยทำเป็นปีกาวไว้เลยว่า เ, าเดี๋ยวจะอธิบายอีกแนวหนึ่งนะทำเป็นปีกาว่าคืออธิบายแล้วสรุปว่าใครอ่านรู้เรื่องก็เก่งแล้วนันเถอะอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าสามสิบเนี่ยนะ หน้า30นับลงหนึ่งสาสี่นับลงบรรทัดที่สมาเรื่อยๆเลยนะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่4อันหนึ่งเป็นต้นมาน่นะอันหนึ่งแล้วก็นับลงไปอีก1 2สอามี่ห้าหกเ็ดแดเ้าบดันบบรรทัดเนี่ยนะจนถึงเหล่านั้น่ะบรรทัดที่สาพันสิบรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลที่ไม่มาตรฐาน ถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็มีถือว่ามีบุญมากทาบุญมาดีเไม่จำเป็นแต่ว่าที่จริงเนี่ยนะไอ้กระดาษที่แจกไปเนี่ยก็คืออ่านตามกระดาษนั่นแหละเนื้อหามีเท่านี้แหละเนื้อหาก็คืออยู่ในกระดาษที่แจกไปเท่านั้นเอง แล้วก็ในหน้าห้าสิบสองอีกที่หนึ่งนะในหน้าห้าสิบสองนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่เจ็ดเนี่ยนะทำเป็นปฏิญานับขึ้นนะหน้าห้าสิบสองนับขึ้นบรรทัดที่สี่ธรรมะเป็นปฏิญาปฏิญญาเจ็ดมีอาทิอ่ะคำว่าธรรมะเป็นปฏิญญาเจ็ดมีอาทิคือเนี่ยนะเอาออกไปเลยขีดทิ้งไปเลย มาใส่ตรงหน้าห้าบสามแทนยกแปลว่ายกข้อความตรงนั้นนะมาใส่หน้าห้าสิบสามเห็นไหมก่อนคําว่าเราข้ามได้แล้วนะก่อนตรงนั้นนะช่องว่างตรงนั้นนะเอามาแทรกตรงนั้นแทนดึงมาแทรกแทนนะนะธรรมะคือเขาจะแบ่งเป็นธรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเนี่ยนะมันหายไปข้อกลุ่มเจเนี่ยหายอันตรงข้างล่างหน้ายนะี่สิบสามหมายความว่าบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งเลยเราข้ามได้แล้วเห็นไหม หน้าห้าสิบสามอ่ะนะนคำว่าปฏิญญาเจ็ดที่ให้ขีดทิ้งหน้าห้าสิบสองอ่ะให้เอามาใส่ตรงหน้าปฏิญญาเจ็ดตรงแทรกช่องว่างแท น, อน่อเจนทออ่าเป็นต้นไม่เอาเอาเฉพาะทำอ่าปฏิญญาเจ็ด อ, อันท้าที่หนึ่งเลยแหละเห็นไหมเห็นไหมอัธยาศัยไม่โลภเป็นต้นให้มาต่อว่า ปฏิญญาเจ็ดนั่นนะคือเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามไ อ, อาข้ามต่อไปเนี่ยมันก็แปลผิดอี ก, ก น, นะเอาใหม่ก่อนนะแทรกไอคําว่าทำปฏิญญาเจ็ดคือเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นอันนเราข้ามได้แล้วจกข้ามต่อไปเนี่ยไอคําว่าข้ามต่อไปเนี่ยมันผิดเอาทิ้งเลยอันนี้ลบทิ้งไปอันนี้ผิดจริงๆ บรรทัดที่สองเห็นนะแปลว่าเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยประโยคเต็มเป็นอย่างนั้นเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยเกิดถ้าหากจะให้ดีนะเอางี้นะจะจะให้ดูเอาหน้าห้าสิบสองดูหน้าที่ห้าสิบสองขึ้นใหม่นะนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่สี่นะวงเล็บว่าหนึ่งวงเล็บมหากรุณาเห็นไหม ก่อนมหากรุณาวงเล็บไว้หนึ่งกรุณาอันให้สำเร็จ น, นะในที่ทั้งปวงแล้วก็สองบุญบุญยสมพานเนี่ยวงเล็บไวเ้เลยว่าเลข2เขียนโน้ตไว้สองไบุญยสมพานเนี่ยนะโน้ตว่าสองแล้วก็ตรงสูตรจริตเห็นไหมอันนะนั่นสโน้ตวา่าสกลุ่มสมอ น, นะอธิษฐานเนี่ยนะก็วงเล็บว่า4อธิษฐานส แล้วก็ธรรมะเป็นเครื <is> ่องบ่มมหาโพธิญาณอันนี้ก็คือเลขห้าธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณนี่หมดห้าหมวดหกก็อัธยาศัยเห็นไหมอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหกอันนี้ก็คือหมวดหกห้าสิบสองล่างสุดอลยเห็นไหมล่างสุดเลยมีคําว่าอัธยาศัยแล้วนะเห็นไหนะอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหกอันนี้เครียกว่าหมวดห เสร็จแล้วก็พอถึงคำว่าเป็นต้นนะเป็นต้นนะก็คือเจ็ดปฏิญญาเจ<ม>็ดนั่น น, <ม>น่นเราเราข้ามได้แล้ว<อ>จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเขามีปฏิญญามีเจ็ดอย่าง<อ>แล้วก็มหาปริสวิตตกแปดอันนี้หมดแปดก่อนมหาในวงเล็บไว้ไว้แปดน่นนะแล้วก็มาจนถึงธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลเก้าอันนี้ก็หมดเก้า แล้วก็หมวดสิบก็อัธยาศัยของมหาบุรุษสิบอ่ะนะก็คือหมวดสิบหมวดสิบมีอยู่สองกลุ่มคือคือก็คื อ, ค อ, ค อ, คอเขาก็แบ่งว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คนแปลเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไปยกเอาตรงกลางมาแล้วก็ไปโทษท่านก็ไม่ได้นะน่ก็ท่านก็สุดความสามารถของท่านนั่นแหละได้ไนะ คือเขาก็แบ่งให้รู้ว่าหมวดหนึ่งหมวดสองหมวด3มหมวดสี่หมวดห้าจนถึงหมวดสิบอ่ะนะเขาเาก็จะมาจัดลำดับให้ดูพอเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ว่าแก้แก้ไปก่อนก็คือหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งคือมหากรุณาอันให้สำเร็จ บารมีในที่ทั้งปวงหมวด2ก็คือบุญยสมพานญานสมพานสาก็คือพระองค์บำเพ็ญสุจริตสาสก็พระองค์มีอธิฐาน4หรือมีพุทธภูมิ4ีหก็คือเครื่องบ่มโพธิญาห5หมวด6ก็คืออัธยาศัย6หมวด7ก็คือปฏิญญา7 8ก็มหาปริสวิตตก8 9ก้าก็ทำมีโยนิโสเป็นมูล9 10 ก, ก็อัธยาศัยสิบนะนะอัธยาศัยของมหาบุรุษสิหรือบุญญากิริยาวัตถุ10นั่นเอง อมแค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาลงเรื่องเลย <c oughs> มาดูหน้ายี่สิบสี่ต่อจากครั้งที่แล้ว <c oughs> คงมาทบทวนการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายว่าเป็นการศึกษาเพื่ อ, อ ปุตชนทั้งหลายเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งเนีเรารักเรียกว่าต้องทําความเข้าใจในฐานะที่เป็นจริงของเราฐานะที่เป็นจริงของเราการศึกษาของเราก็คือเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันก็อย่างที่คุ้นเคยกันแล้วคือ1เนี่ยนะคบสัตว์บรุษ2ฟังธรรมของสัตว์บรุษส โยนิโสมณัิการสปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอันนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วจะมีอะไรก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระสงฆ์และก็สุดท้ายคือเป็นผู้ที่มีอริยการตศีนศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นต้นอันนั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันนี่ย้อนกลับมาว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระโสดาบัน4ี่ประการคือข้อแรกเนี่ยนะการคบสัตว์บุรุษข้อ2การฟังธรรมของสัตว์บุรุษข้อ3โยนิโมสมาเลการข้อสุดท้ายก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปฏิผลเนี่ยนะโลกุตระก็คือโสดาปฏิผลนั่นเอง ทนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราจะคบท่านถูกหรือนะน e? ่พนการเรียนจริยาปิดกก็คือการเรียนทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้านี่นะอย่างการเรียนพระพุทธคุณเนี่ยนะก็รู้กันว่าเป็นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันพระพุทธคุณเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระปุพพจริยาคุณกลุ่มที่สองสริระคุณกลุ่มที่สาก็คือคุณนะคุณเนี่ยนะ หรือที่เราเรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือคุณธรรมทั้งปวงของพระองค์นั่นเองนี้ย้อนกลับมาว่าทั้งสประการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้นไม่งั้นเราก็คบพระองค์ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้จักอัธยาศัยของพระองค์ว่าพระองค์นั้นพระองค์มีอัธยาศัยอย่างไรเจึงได้บาเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอัธยาศัย มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเป็นต้นเน้นมา ด, ดูว่าต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าเรื่องในอดีต น, นะอดีตเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ น, นะเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับก่อนเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสารนางก ร, งก ร, า ร, างกรและพระทีปังกร ในกับนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ตามลําดับนะนะในกลับในในอสงไขยนั้นอ่ะนะองค์แรกก็พระตันหังกรใช่ไหมพระเมธังกรสารนังกรมาทีปังกรพระพุทธเจ้าของพระพระโพธิสัตว์ของเราคืออดีตของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะพระองค์เนี่ยเริ่มต้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร นในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวัีปังกร น, นะเกิดขึ้นในเมืองนั้นเนี่ยนะมีเมืองชื่อว่าอมรวดีเมือง อ, อมรวดีเนี่ยนะหรืออมมอวดีเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองของใครเป็นเมืองของท่านสุมเมธพราสมุสมเมธพราหมณีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าหนผ่ผพุทางกูลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองท่านนั้นสุมเมทพรามนี่อาศัยอยู่ในเมืองอมารวดีนั้นสุมเมทพรามนั้นเป็นคนที่เรียกว่าอุพโตสุชาติหมายคือว่าเป็นการถือกำเนิดเกิดในคันของนางพรามณีที่เรียกว่าสืบสายาแห่งความบริสุทธิ์ในเรื่องวันณะเนี่ยนะสืบสายในความบริสุทธิ์วันณนะ ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาเจ็ดชั่วโคตหมายก็ว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปอย่างเงี้ยเ็ดชั่วก็เป็นพราหมณ์มาตลอดแ ม, อแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่ามาก็เป็นคนวรนณะพราหมณ์มาตลอดนั้นถือว่าเกิดในตระกูลที่เขาไม่รังเกียจกันด้วยเผ่าพันธุ์หรือวงตระกูลชาติตระกูลนั้นเป็นคนที่เรียกว่าจะวิเคราะห์ในแง่ใดก็เป็นบุคคลที่ไม่น่ารังเกียจในเรื่องของวงตระกูล ท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยผิวพรรณก็คืองดงามแปลภาษาไทยว่าคนรูปลอว่างั้นสุเมธพรามณ์นั้นไม่ได้ทําการงานอย่างอื่นเลยเรียนแต่ศิล ป, ปะของพราหมณ์อย่างเดียวก็หมายค่ะว่าเกิดมาพ่อก็รวยอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่ร่ํารวยมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลด้วยนั้นาภารกิจของพ่อแม่ก็คือมองว่าเขาควรร่ําเรียนอย่างเดียว เพราะการเรียนเพื่อที่จะรักษาระบบวันณะไว้ด้วยนี่เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้ดูแลปกครองทรัพย์ได้เพราะคนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะดูแลทรัพย์ได้หลังจากที่ร่ำเรียนจนจบวิชาสมัยนั้นเท่าที่มีอยู่ในโลกนะก็เรียนจบหมดทุกแขนงพ่อแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มครั้งนั้นสิริวัฒนะสิริวัฒกะอัมมาศของเขาอ่ะนะ เป็นพูดภาษาเขาเรียกว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะหรือผู้ดูแลทรัพย์สินประจําตระกูลคนนี้ก็นําบัญชีทรัพย์สินมาให้แล้วก็เปิดห้องทรัพย์สินนะเป็นเป็นเป็นทรัพย์จริงๆเลยก็เปิดให้ดูเป็นห้องเป็นห้องคลังที่เต็มไปด้วยทองอ่ะนะห้องคลังทองห้องคลังเงินห้องคลังแก้วมณีห้องคลังแก้วมุกดาเป็นต้นอย่างที่อะไรนะไปที่สาวัถีใช่ไหมเขาจะมีห้องอยู่สองห้องอ่ะนะอ่าที่ที่บ้านอนาถาบินทิกาเขาจะมีห้องสองห้องนะ ห้องเก็บเงินห้องหนึ่งกับห้องเก็บทองไว้อีกห้องหนึ่งนะลักษณะนั้นดังโบราณเนี่ยไม่ละไม่ค่อยนิยมแบบฝากธนาคารอะไรเขาจะมีโกดังเก็บเงินเก็บทองของเขาเลยนะเขาบรรทุกกันเป็นเล่มเกวียนอนะเป็นเป็นแบบห้าร้อยเล่มเกวียนอย่างเงี้ยเขาเขานับกันเป็นบรรทุกกันเป็นเนเกวียนเลยนั่นก็เปิดดูบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แจ้งทรัพย์สินเจ็ดชั่วตระกูลมาแล้วที่เก็บไว้ให้ ก็เล่าให้ฟังว่ากุมาร น, น, นะนะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของแม่ของท่านฝ่ายแม่นะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นฝ่ายพ่อของท่านทรัพย์ฝ่ายเนี่ยเป็นของปู่ของท่านคือหมายความว่าแจ้งได้เลยว่าตอนที่ปู่มีอยู่ทรัพย์อยู่เท่านี้พ่อก็มาหาเพิ่มได้เพิ่มอีกเท่านี้แล้วก็อะไรนะปู่ของปู่เนี่ยหาได้เท่านี้ปู่เนี่ยมาหาเพิ่มได้เท่านี้ก็ไล่แหล ะ, ะยุคแรกตระกูลแรกเนี่ยหาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่ กลุ่มที่สองมาสืบทอดมรดกและหาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่รุ่นที่สามรุ่นที่4ี่รุ่นที่หา้ารุ่นที่หรุ่นที่เจ็ดเนี่ยคือท่านเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไว้ให้ท่านอย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายพ่อแล้วฝ่ายแม่ล่ะฝ่ายแม่ก็คือแม่ของแม่ของแ ม, ขงแม่ของแม่ก็ไล่มานะเขาก็เก็บไว้ทรัพย์ทรเก็บมาไว้เจดชั่วตระกูลเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มารวมกันก็เป็นทรัพย์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลปกครองทรัพย์เหล่านี้เถอด สุเมศบันดิตก็เลยคิดว่าญาตทั้งหล า, หายมีพ่อมีแม่เป็นต้นของเราเนี่ยพาการรวบรวมทราบสินเอาไวมากถึงอย่างนี้ก็ยังต้องไปสู่ปาโลกหาไว้กองขนาดไหนก็ตายไปแล้วเหมือนั้นไม่ได้ถือเอาไปแม้แต่กระหาปหน้าเดียวสมัยหมายบอกเอาไปไม่ได้แม้แต่สตังแดงเดียวแต่เราเนี่ยจะไม่ทำเรียนแบบของตระกูลเราเด็ดขาดเราจะต้องถือเอาไปด้วย จะต้องทำยังไงที่ทรัพย์เหล่านี้เราจะต้องเอาไปได้ด้วยพอคิดอย่างนี้ก็เลยไปกราบทูลแก่พระราชาให้ตีกรองประกาศทั่วเมืองได้ให้ทานแก่มหาชนแล้วก็ยังไปป่าหิมวันตตระประเทศรายละเอียดตรงนี้เราบอกเอ๊ะทำไมท่านคิดกันง่ายๆอย่างนี้จริงๆถ้าหากว่าไปดูคัมภีร์พุทธวงศ์จะรู้ว่ามีรายละเอียดที่กว้างใหญ่มากเนี่ยนะซึ่งอยู่ในเล่มก่อนหน้าเล่นนี้ถ้ามีโอกาสถ้าเรียน จริยาปิดกจบพระอาจจะรยนพุทธวงศ์ต่อก็ได้เนี่ยนะให้มันจบสักเรื่องก่อนเถอะผมให้จบสักเรื่องเลยอันนี้มาดูว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะก็สะสมทรัพย์ไว้ขนาดนี้ก็มีการพิจารณาไอ้ความที่อัธยาศัยของท่านเนี่ยออกจากวัตตะเมื่อท่านมีอัธยาศัยอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็สละรัพย์ทั้งหมดออกบวชพอบวชเป็นดาวบวเนี่ยนะเจ็ดวัน ทำอภินยาหาสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะสามารถว่าภายในเจวันเนี่ยได้สมาบัตแปนะก็คื อ, คอรูปฌานสี4อรูปฌาน4ี่ที่เกิดจากการเจริญกสิณถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นภายในวัตถุ ก, กามอย่างเต็มที่ทำไม่ได้ขณะเดียวกันก็ยังได้อภิน ญ, ญาหอีกแสดงฤทธิ์ได้นะนเ แสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพมีหูทิพระลึกชาติได้ น, นะแล้วก็รู้วาระจิตของผู้อื่นมีมโนโมยิทธิเนรมิตรกายอื่นได้หมดเลยเพราะท่านก็เลยมีความสุขอยู่ด้วยสมาบัติวิหารธรรม น, นะมีความสุขปล่อยชีวิตให้ผ่านไปด้วยการอยู่ด้วยวิหารนี่แปลว่าอยู่นะอยู่ด้วยสมาบัติก็คืออยู่ด้วยฌานหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นชีวิตของท่าน ในกาละครั้งนั้นเนี่ยนะกาละครั้งนั้นพระทศพลทศแปลว่าสิบใช่ไหมผลก็คือกำลังพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยกำลังแห่งพระญาณสิบพระนามวถีปังกรบรรลุพระประมาพิเศษสัมโพธิยานสัมโพธิยานนี้เป็นชื่อของอะไรสัพพัญยุตยานในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เป็นชื่อของอรหัตมัคคยาน ที่เกิดโดยประมะพิเศษเนี่ยนะไอประมประนี่แปลว่ายิ่งอภิเศกก็คือการอะไรนะแต่งตั้งใช่ ไ, ไหมคล้ายๆแต่งตั้งแต่นี้หมายถึงอภิเศกแบบเป็นอภิเษกสูงสุดเขาเรียกว่าสัจจาพิเศกเห็น ไ, ไหมอภิเศกด้วยการแทงตลอดอริยสัจ ท, ที่สูงสุดก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังบรวรธรรมจักรให้เป็นไปก็คือยังธรรมจักรที่สูงสุดให้เป็นไป พระ อ, องค์ก็แสดงธรรมประกาศสงเคราะห์หมู่มวลเวนัยศาสตร์ทั้งหลายนั้นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมตามท่านก็ตามสมควรแก่มรรคผลเช่นโสดาปติมรักสกท า, าคามิมรักอนาคามิมรักรและอรหัตตมรักผู้ที่สําเร็จเป็นท่าอรหรันเรียกว่าพระขีนาศพเนี่ยนะเป็นพระขีนาศพเป็นผู้สิ้นอาสวะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะมีพระภิกษุหนึ่งแสนรูปเนี่ยแวดล้อมพระพุทธเจ้าพระนามวัดีปังกรนะ ไปไหนมีพระพิสุตติดตามแสนรูปพระองค์ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับไปจนถึงเมืองรัมมะวดีนครประทับอยู่ที่สุทัศนวิหารไม่ไกลจากเมืองนั้นก็คือมีการสร้างวัดถวายเนี่ยนะเป็นพุทธบูชาชาวเมืองรัมมะวดีนครเนี่ยได้ฟังว่าพระศาสดาพระศาสดาก็คือผู้ที่สอนประโยชน์สามแก่สัพรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เสด็จมาถึงเมืองของพวกเราแล้วประทับอยู่ณนะสุทัศนะมหาวิหา ร, รถือว่าเป็นวัดใหญ่มากก็พากันถือของหอมมีดอกไม้เป็นต้นเนี่ยนะระเบียบดอกไม้ของหอมพวงมาลัยตามแต่จะหามาได้เพื่อแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นนั่งนาทีควรส่วนข้างหนึ่งก็ฟังพระธรร ม, มเทศนาก็คือเมื่อเข้าไปนั่งเมื่อเข้าไปใกล้ นนะก็งียบโสดลงฟังพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจธรรมให้ฟังเขาก็มีการฟังอริยสัจธรรมนั้นหลังจากแสดงธรรมจบชาวบ้านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ให้สเสวยพัะตาหารในวันรุ่งขึ้นแล้วก็พากันลุกขึ้นจากที่นั้นแล้วก็กลับไปก็คือฟังธรรมในตอนเย็นใช่ไหมฟังธรรมในตอนเย็นนิมนต์พระในตอนเย็นกลับบ้านก็ไปเตรียมตัว รุ่งขึ้นรุ่งเช้าชาวเมืองเหล่านั้นก็ตระเตรียมมหาทานานะเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่เตรียมอาหารก็เตรียมอาหารไปกลุ่มที่ตกแต่งบ้านเมืองก็ตกแต่งไปกลุ่มที่ชำระถนนหนทางก็ชำระเขาก็แบ่งเป็นพวกๆไปทำบุญกันแต่ละคนเนี่ยก็ทำด้วยความร่าเริงยินดีนะกลุ่มที่ทำความสะอาดหนทางที่พระทศพลสเสด็จมาก็ทาไป ก็ชําระทางเนี่ยนะปัดกวาดขนทางกลุ่มที่ปัดกวาดก็ปัดกวาดกลุ่มที่ตรงไหนมันเนินสูงก็ขุดตรงไหนที่มันลุ่มก็ถมเนี่ยนะก็เพื่อที่จะทําทางรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นสุเมธดาบทฤษีของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอดีตของเราองค์เนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาทางอากาศก็คือเป็นผู้ที่มีอภินญาห้าใช่ไหมมีฤทธิ์เหาะได้เห็นพวกมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะทำงานด้วยความร่าเริงยินดีอะ่ะแปลกใจอ่ะนะปกตินี่เกณฑมาทําถนนเนี่ยหน้าไม่ค่อยยิ้มกันง่ายๆหรอกแต่นี่มาทําถนนมาถางถนนเนี่ยทำด้วยความสนุกสนานทําด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะก็เลยอัศจรรย์ใจก็ลงมาถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านทําความสะอาดหนทางนี้เพื่อใครอนะไรทำไมต้องชําระหนทางทําไมขยันขันแข็ขงกันขนาด น, นี้มาเ น, นี่ ชาวบ้านมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าเราทําความสะอาดทางเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเสด็จจะเสด็จมาอพอฟังคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นนะความที่ตนเนี่ยได้สะสมบารมีมาในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตคือท่านเนี่ยทำบุญไว้ยเยอะนะในอดีตเนี่ยท่านเคยพบพระพุทธเจ้า เคยให้ทานเคยสมาทานศีลเคยสร้างคุณงามความดีมามากตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนาคิดในใจมาแล้ว 9, เก้าข้อภัยเจ็ดอสงไขยทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาแปล่งวาจามาแล้วเก้าอสงไขยเพราะฉะนั้นความที่สั่งสมบุญมามากอย่างนี้เนี่ยพอได้ยินคําว่าพุโทโธก็เกิดปีติโสมนัตทันดีนะฟังคํ า, ค ว, าว่าพุโทโธนี่ก็ปีติมากเลยนะ อย่างสมัยนี้เนี่ยนคนก็ได้ยินคำว่าพุทโธมากไม่ใช่น้อยเลยนะคำว่าพุทโธเนี่ยก็เรียกว่าเป็นาศาสนาหนึ่งในาศาสนาของโลกเลยแหละแต่คนเนี่ยฟังแล้วก็เฉยเฉยทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่เคยสั่งสมบุญมาที่จะตรัสรู้ไม่เคยสั่งสมอัธยาสายมาเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัจมันได้ยินคำว่าพุทโธก็เลยเฉยเยแต่นี้ท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยความที่สั่งสมบุญมามาก พอได้ยินคาว่าพุโทโธก็เกิดปีติโสมนัสทันทีเลยไม่รู้ว่าเป็นไงคํานี้เป็นคำไพเราะที่สุดว่างั้นเถอะเป็นคําที่อะไรนะน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นคําของผู้ที่ทํากิจ ป, ปริญญาสําเร็จทํากิจปหาณะสําเร็จเป็นคําที่กล่าวถึงผู้ที่ทําให้แจ้งพระนิพพานเป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมนั้นพอฟังคํานี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหปีติโสมนัสขึ้นมาเลยอยไนะของเราเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ปีติไหมพี่เสี่ย เอานะให้พุโทโธไว้ในใจนะดีใจเสียใจก็พูโทโธไว้ก่อนเอาละเจอเหรอเป็นคาถาป้องกันตัวนะฟ้าผ่าก็พุโทโธพุดโธรเสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยนะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาบอกเรื่เราก็ตกใจก็บอพูดโธรพูดโธไว้สิอย่างนั้นเราก็พุดโธมั่งนะกลัวฟ้าผ่าแล้วก็เลยพูทโทรกัน ก็แต่นั่นก็หมายก็ว่าแต่ก็ดีนะก็ได้ยินชื่อก็ยังดีก็ถือว่าเป็นบุญหูแล้วล่ะการเป่งวาจาก็เป็นบุญวาจาแล้วบรรดาคําทั้งหลายคําว่าพุโทโธประเสริฐที่สุดแล้วทีนี้สําหรับผู้ที่เขารู้คุณค่าของคำนี้เนี่ยนะรู้พุทธคุณเนี่ยเขาฟังคําว่าพุโทโธก็ปีติโสมะนะัสปราบริ่มมีความสุขมากก็เลยลงจากอากาศนั่นเองถามว่าท่านทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราบ้างแม้เราก็จะทําความสะอาดด้วย ท่านานะครับว่าบอกว่าไม่ควรปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ผ่านไปพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ให้โอกาสคิดว่าความจริงเนี่ยพอจะทําทางนี้ให้วิจิตด้วยรัตนเจ็ดด้วยฤทธ์ก็ทําได้ความสามารถของฤาษีคนนี้เนี่ยนะจะเนรมิตภายในะไม่กี่นาทีเนี่ยเป็นถนนทองทันทีเลยก็ทําได้แต่วันนี้เราควรทําความขวนขวายด้วยกายคือหมายความว่าบุญเนี่ยนะเขาวัดกันที่ไหนวัดกันที่ความคิด ไม่ในวัดที่สิ่งที่ทำมันถ้าหากว่าความคิดที่กระทำเนี่ยนะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามากบุญตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากไม่ใช่ตรงที่ว่ามีรัตนะเจ็ดมากแล้วก็บุญมากไม่ได้แปลว่าตรงนั้นเพราะท่านจึงไม่เนรมิตท่านถือเอาบุญด้วยกายเพราะนั้นเราจากสมควรถือเอาบุญทางกาย นะครับมาเขาว่าเหงื่อจะตกยางจะออกเหงื่อจะท่วมขนาดไหนก็ทําได้เพราะถือว่าสภาพจิตที่เป็นไปกับการยกการการจับเป็นต้นเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยก็อยากจะให้บุญเนี่ยเกิดสืบเนื่องต่อเนื่องก็เลยนําเอาหญ้าขยะอยากเยื่อออกไปก็ไปขนเอ า, เ, อาเรียกว่าเอาดินมาเกลี่ยทําหนทางให้เสมอคือปกติชาวบ้านก็เห็นว่าท่านมีฤทธิ์มากะนะก็เลยให้ที่มันตรงมีหลุม มีลุมแล้วก็มีแต่คโคลนมันก็คิดว่าฤาษีเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทีนี้ท่านเกิดไม่ยอมใช้ริดเข้าท่านใช้มือใช้แรงเนี่ยพอใช้มือใช้แรงมันก็ไม่เสร็จทําทางตรงนั้นยังไม่เสร็จดีเนี่ยนะคโคลนตมก็ยังอยู่เลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระภิกษุขีนาศพคือพระอาหารหันต์ผู้ได้อภินญาหกแต่ละรูปเนี่ยมีอนุภาพมากเลยนะมีอาหารหันต์ตะคุณกันทั้งนั้นเลยอะ่ะพระภิกษุเหล่านั้นมาเนี่ยเป็นแสนรูป เสด็จมาถึงหนทางนัน้นท่านก็เลยทาไงดีถ้าเป็นเราเนี่ยนะทก็ทำทางไม่เสร็จเราจะทำยังไงส ม, เ, ม, มเด็บัณฑิตก็คิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าจงยาเยียบโคลนนะไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ากับที่สุสง์้เยียบโคลนทำไงดีละ่ะก็เลยเคลียวอผ้าปัางผ้าปัางก็คือผ้าเปลือกปอนะผ้าที่เอาเอา เปลือกเปลือกไม้อะ่ะมาถักถักถักมานุ่งอะ่ะก็คลี่คลี่ปูไปในคโครนอันนั้นแล้วก็เอาแผ่นหนังเนี่ยทับไปอีกครั้งหนึ่งห่อชดาออกนนะก็เอาเครื่องทรงของฤาษีออกตัวเองก็นอนคว่ําหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายความว่าไม่อะไรในชีวิตเขาคิดอย่างนี้ว่าพอคว่าตัวลงนอนปั๊บเนี่ยนะก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าพอลืมตาเห็นปับ๊บคิดได้เลยว่า ถ้าหากว่าเราปรารถนาคือถ้าเราต้องการนะวันนี้เราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละทำลายกิเลสในวันนี้แหละเราจะเป็นพระอรหันต์เดินต้อยต้อ ย, อ, ยองค์สุดท้ายตามเลยทันทีถ้าเราต้องการนะแต่ประโยชน์อะไรด้วยการข้ามโอคเนี่ยนะแต่คือการออกจากโอะใหญ่คือสงสารของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ประโยชน์อะไรที risen, ่เราจะตรัสร <Protocol> like ู้แต่เพียงผู้เดียวเล่าถ้าะไรแม้เราก็พึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานี้ไม่อยากเป็นเคำว่าถ้าถ้าเราบรรลุแต่เพียงผู้เดียวนะเราก็เป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็ออกได้แต่เพียงผู้เดียวถ้าะไรนะเราก็ต้องเป็นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานี้เราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อันอันนี้หมายคำว่าด้วยอะไรโลภภาพไหม ไม่เขาบอกว่านี่คือศรัทธาที่ที่มีกําลังมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากห้วงน้ําคือสังสารวัตเนี่ยนะจะต้องพาสัพพสัตให้ออกจากวัตฏะให้ได้ท่านสุเมศบัณฑิตนั้นก็ตั้งใจด้วยอภินิหารเนี่ยนะตั้งใจด้วยความปรารถนาปิณิหารหมายถึงมูลปณิธานคือความปรารถนาเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองแปด จะมีข้างหน้าต่อไปคือความเป็นมนุษย์เป็นตนน่ยนะท่านก็เลยตั้งความปรารถน า, านะพอ เ, เรียกว่าประชุมองแปดได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนเบื้องศรีรษะของโุเมตนั้นทราบความสําเร็จแห่งวาระจิตของสุเมตบัณฑิตนั้นรู้เลยว่าโซเมตบัณฑิตนี้คิดอะไรพระพุทธเจ้ามองเห็นปั๊บรู้เลยนะว่าเขาคิดอะไรแล้วความคิดเหล่านั้นจะสําเร็จหรือไม่ พระองค์ก็รู้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยอำนาจสัพพันญูเนี่ยบอกว่าอาวัชชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นเลยว่าชาอบพอเห็นไปทั้งหมดก็บอกว่าจากนี้ไปเวลาจากนี้ไปเนยนับตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยืนอยู่เนี่ยสี่อสงไขยเศษอีกแซนกับสุเมศบัณฑิตนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ก็มีพยากรณ์ก็พยากรณ์เลยนะว่ามีพ่อเชื่ออะไรมีแม่เชื่ออะไรใครเป็นอุปถักต์เป็นต้นก็พยากรณ์หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จหลีกไปอันนี้ก็เหตุการณ์แบบคร่าวๆในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าถีปังกรจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์อื่นก็อุบัติขึ้นตามลําดับหมายถึงว่าอสงไขยนั้นผ่านไปก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาเห็นไ สืบเนื่องมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ัคษาปะเป็นที่สุดอันนี้เล่าแบบรวบรัดรวบรัดตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่พยากรมาเลยเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วคือพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพระกัศปะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นทั้ง24พระองค์ก็พยากรพระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าคือจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนั้นทำบุญอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นในโลกยี่สิบสี่พระองค์นะพระทีปังกรเป็นองค์ที่หนึ่งใช่พระกัสสปะเป็นองค์ที่ยี่สิบสี่นะในกลับที่พระพุทธเจ้าพระนาวัตถีปังกรอุบัติขึ้นเนี่ยนะ ในกลับนั้นนะคะนน e ือเมื่อสีอสงไขส์ที่แล้วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าอื่นอีกตั้งก่อนหน้านัะก่อนพระพุทธเจ้าพระนามวัตีปางกรคืออะไรพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรและพระพุทธเจ้าพระนามว่าสรนังกรแต่พระโพธิสัตว์ของเราไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเลยคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทําไมอะ เพราะว่าไม่มีอภิธิฐานที่ประกอบไปด้วยองค์8ไม่สะไม่ประชุมครบองค์แปดเมื่อไม่ประชุบไม่ประชุมพร้อมด้วยองค์8ดพยากรณ์ไม่ได้นะไม่มีความแน่นอนคือยังไม่แน่นอนแต่ถ้าได้ครบองค์แปมีความเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นนักบวชเป็นผู้ที่หมายว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายก็ว่ า, วาได้เป็นต้นเนะี่ยก็มีองค์ประกอบนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์แต่ว่า ประชุมพร้อมด้วยองค์แปดท่านโซมเมศก่อนหน้านั้นท่านยังทำไม่ได้นั้นจึงมาได้รับพยากรในพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้สามองค์จึงไม่นับอะไรพร ะ, พระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมทางกรสารานางกร น, นั้นจึงไม่นับ